ระวังไว้ฉันทะมาตันหาอาจจะสอดหรือแทรกสลับความสับสนปะปนกันระหว่างฉันทะกับตันหาเกิดจากการที่ทำสองอย่างนี้เกิดแทรกหรือซ้อนหรือสลับกันได้และเป็นปัจจัยแก่กันและกันได้เป็นธรรมดาของมนุษย์ปุถุชนที่ยังมีตัญหาเป็นเจ้าเรือนไม่ว่าฉันทะจะเกิดขึ้นหรือไม่ ตันหาก็ย่อมมียืนพื้นคอยรอโอกาสอยู่ถ้าจันทะไม่เกิดตันหาก็ทำหน้าที่ของมันเรื่อยไปถ้าจันทะเกิดขึ้นมาตันหาก็คอยหาช่องที่จะแทรกซ้อนแอบแฝงหรือเข้าแทนที่อันหนึ่งมนุษย์เป็นสัตว์ที่จเจริญสามารถมีปัญญาและคุณธรรมได้มากเมื่อมนุษย์พัฒนาสูงขึ้นไปในด้านจิตและปัญญา ตันหาก็พลอยมีอาการละเอียดอ่อนตามไปด้วยและแสดงตัวออกในลักษณะที่ประนี่ซับซ้อนยิ่งขึ้นดังนั้นพอฉันทะเกิดขึ้นคือมองเห็นว่าอะไรเป็นภาวะดีงามมีคุณค่าแท้จริงพาใจโน้มน้อมเข้าไปหาสิ่งนั้นแล้วตันหาก็อาจเข้าแทรกซ้อนได้ทันทีโดยการวางท่าทีของการเข้าครอบครองการยึดถือเป็นของตนการเอาตัวตนเข้าผูกพัน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 เขาจะมีความพึงพอใจซาบซึ้งในคุณค่าในภาวะดีงามหรืออุดมสภาวะของสิ่งนั้นที่การทำงานกำลังพาไปให้เข้าถึงจิตใจของเขาจึงน้อมดิ่งดื่มดำแน่วแน่ในอุดมสภาวะและในงานที่ทำเขาจึงทำงานโดยมีปีติปราโมชและสมาธิแต่ถ้าเมื่อชันทะได้เริ่มต้นขึ้นให้ลงมือทำการได้แล้วตัหาแทรกสอดเข้ามาตัดตอน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 เกิดการแข่งขันตลอดไปจนกระทั่งความอิจฉาริษยาความหงหนความข้องขัดกระทบใจถ้ากลายมาเป็นอย่างนี้เขาจะไม่ได้ปีติปราโมชในงานแต่อาจจะได้ความภาคภูมิใจแบบตันหามานะซึ่งเป็นความรู้สึกแบบที่มีกู้ลบฝ่ายตรงข้ามเช่นเขาอาจจะมีความหวังว่าเมื่อทำสำเร็จเขาจะได้รับความยกย่องสรเสริญคนอื่นทั้งหลายจะพากันแสดงความชื่นชม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 ก็กลับหวนระหอยรำพึงเสียดายวันชื่นชั่วโมงชำที่อัตตาเคยได้รับการพเนาพนอครั้งนั้นทำให้เกิดความเศร้าซึมหรือเฉาใจได้อีกยิ่งกว่านั้นบางคนพอประสบความสำเร็จได้รับความยกย่องเชิดชูแล้วเกิดลืมตัวไม่ได้ใช้ปัญญาํำระล้างจิตใจให้เรียบร้อยอัตตาที่พองขยายเบ่งบานออกไปแล้วไม่กลับคืนสภาพเดิม